เกณจำแนกประเภททักิินัยหรืออริยบุคคลนั้นว่าโดยหลักใหญ่มีสองวิธีคือแบ่งแบบ8แบ่งตามขั้นหรือระดับที่กำจัดกิเลสได้หรืออาจเรียกว่าแบ่งแบบลบและแบ่งแบบ7คือแบ่งตามคุณธรรมหรือข้อปฏิบัติที่เข้าถึงระดับหรือขั้นนั้นๆจะเรียกว่าแบ่งแบบบวกก็ได้ แบบที่หนึ่งถ้ากินัยยยบุคคล8หรืออริยบุคคล8เกณฑ์แบ่งแบบนี้จัดตามกิเลสคือสังโยชน์ที่ละได้ในแต่ละขั้นพร้อมไปกับความก้าวหน้าในการบำเพ็ญไตรสิกขาคือศีลสมาธิและปัญญาดังนั้นจึงควรรู้จักสังโยชน์ไว้ก่อนสังโยชน์แปลตามศัพท์ว่า เครื่องผูกหมายถึงกิเลสที่ผูกใจสัตว์หรืออกุศลธรรมที่ผูกมัดสัตว์ไว้กับทุกข์ในสังสารวัฏเหมือนผูกเทียมสัตว์ไว้กับรถมีสิบอย่างคือโอรัมภากิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำหรือขั้นหยาบห้าอย่างคือหนึ่งสักยาทิฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตน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 มองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณคือขันหานั้นเป็นตนมองเห็นตนมีรูปมีเวทนามีสัญญามีสังขารหรือมีวิญญาณมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณในตนหรือมองเห็นตนในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารหรือในวิญญาณ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 ไปในอริยามรรคฐา 3. ศิลปตะปรามาตความถือมั่นศีลพรดคือความยึดถือผิดพลาดไปว่าจะบริสุทธิ์จะหลุดพ้นได้เพียงด้วยศีลและพรดได้แก่การถือศีลระเบียบแบบแผนบทบัญญัติและข้อปฏิบัติต่างๆ โดยสักว่าทำตามๆกันไปอย่างงมงายเห็นเป็นขลังหรือศักิ์สิทธิ์ติดอยู่แค่รูปแบบหรือพิธีรีตองก็ดีถือด้วยตันหาและทิฏฐิคือปฏิบัติเพราะอยากได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเพราะเห็นว่าจะทําให้ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ดีไม่เป็นไปตามความหมายและความมุ่งหมายที่แท้จริงของศีลและพจ ทำให้เขวออกนอกลู่นอกทางหรือเลยเถิดไปเป็นอย่างศีละพรษของนักบาเพ็ญตะบะเป็นต้นไม่เข้าสู่อริยมรรคเรื่องศีลปพตาปาามาตนี้ดูได้จากบันทึกพิเศษท้ายบทสังโยชน์ข้อที่สกามราคะความติดใกล้ในกาม ความอยากได้ไยหาในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสและผพ t h พ p ที่ชอบใจข้อที่หปฏิฆะความกระทบกระทั่งในใจความหงุดหงิดขัดเคืองหรืองุ่นง่านใจพึงสังเกตว่าในบาลีทั่วไปสังโยชน์ข้อ4ีและหเป็นกามชันทะ และพยาบาทเฉพาะที่อังคุตรานิกายติกานิบาตพระไตรปิฎกเล่มที่20สิบเป็นอภิชาและพยาบาทแต่ที่เรียนกันมาเป็นการมราคะและปฏิคานั้นก็เพราะถือตามคัมภีร์ชั้นรองและคัมภีรุ่นอัตถกถาดีกาอุธรมภาคิยะสังโยชน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 ข้อที่ 9. อุทธจักความฟุ้งซ่านจิตใจไม่สงบว้าวุ่นซัด ส, สายคิดพล่านไปข้อที่ 10. บอวิชชาความไม่รู้จริงไม่รู้เท่าทันสภาวะไม่เข้าใจกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลหรือไม่รู้อริยสัจ ถ้ากินใยบุคคลหรือพระอริยบุคคล8นั้นว่าโดยระดับหรือขั้นตอนใหญ่แล้วก็มีเพียงสี่และสัมพันธ์กับการละสังโยชน์ดังนี้พระเสกค่ะคือผู้ยังต้องศึกษาหรือสะอุปาทิเสสะบุคคลคือผู้ยังมีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่คือหนึ่งพระโสดาบันพูดถึงพระแสคือเข้าสู่มรรค เดินทางถูกต้องอย่างแท้จริงหรือปฏิบัติถูกต้องตามอริยามรรคอย่างแท้จริงแล้วเป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญาหละสังโยชน์ได้สคือสักกายทิฏฐิวิจิกริชฌาและสิลปตาปรามาทในอังคุตรานิการชะการนิบาทประไตยปิฎกเล่ม22 ว่าละราคาโทสะโมหะอย่างแรงที่จะทำให้ัยอบายได้ด้วย 2. พระสกัดทาคามีมาเหตุผู้อ่านคำนี้ในบางคำภีก็เรียกว่าพระสกิทาคามีซึ่งก็ไม่ผิดนะครับพระสกัดทาคามีผู้กลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวก็จะกำจัดทุกข์ได้สิ้น เป็นผู้ทาได้บริบูรณ์ในขั้นศีลทำได้พอประมาณในสมาธิและทำได้พอประมาณในปัญญานอกจากละสังโยชน์สาข้อต้นได้แล้วยังทำราคะโทสะและโมหะให้เบาบางลงไปอีกต่อจากขั้นของพระโสดาบันปฏิสัมพิธามัจว่าพระสกัทาคามีละสังโยชน์อีกสองคือการมราคะและปฏิฆะอย่างหยาบ และ ว, ว่าพระอนาคามีละกามราคะและปฏิฆะอย่างละเอียดคัมภีร์วิสุทธิมัติว่าพระสกัธาคามีทากามราคะและพยาบาทให้เบาบางแต่ทั้งหมดนี้ได้ความเท่ากัน 3. พระอนาคามีผู้จะปรินิพพานในที่ผุดเกิดขึ้นไม่เวียนกลับมาอีก เป็นผู้ทำได้บริบูรณ์ในศีลทำได้บริบูรณ์ในสมาธิแต่ทำได้พอประมาณในปัญญาละสังโยชน์ได้อีกสองข้อคือกามราคะและปฏิฆะรวมเป็นละสังโยชน์เบื้องต่ำได้ครบห้าข้อพระอาเศคะคือผู้ไม่ต้องศึกษาหรืออนุ ป, ปาที่เสสะบุคคล คือผู้ไม่มีเชื้อคืออุปาทานเหลืออยู่เลยนับเป็นพระอริยบุคคลในข้อที่สคือพระอระหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณาหรือการบูชาพิเศษหรือผู้หักกรรมคือวงล้อแห่งสังสารรัชาได้แล้วเป็นผู้ศิลอาสวะเป็นผู้ทาได้บริบูรณ์ในสิกขาทั้งสามคือศีลสมาธิและปัญญา ละสังโยชน์เบื้องสูงได้อีกทั้งห้าข้อรวมเป็นละสังโยชน์หมดทั้ง1ิบพระเสคขะแปลว่าผู้ยังต้องศึกษาคือยังมีกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนที่จะต้องทำต่อไปอีกจึงได้แก่ทักินายาบุคคลสมระดับต้นซึ่งจะต้องปฏิบัติในศิกขา เพื่อละสังโยชน์และบรรลุธรรมสูงขึ้นต่อไปจนถึงเป็นพระอระหันต์ส่วนพระอเศษขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือทำรรกิจเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมตนเสร็จสิ้นแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วไม่ต้องปฏิบัติในสิกขาต่อไปไม่มีกิเลสที่ต้องพยายามละต่อไปและไม่มีภูมิธรรมสูงกว่านั้นที่จะต้องขวนขวายบรรลุอีก จึงได้แก่พระอาหารหันต์สอุปาที่เสศบุคคลคือผู้ยังมีอุปาธเหลืออยู่คือยังมีอุปาทานเหลืออยู่ซึ่งก็หมายถึงยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างนั่นเองจึงได้แก่ทกินยะบุคคลสามระดับต้นส่วนอนุปาที่เสศบุคคล คือผู้ไม่มีอุปาทิเหลืออยู่คือไม่มีอุปาทานเหลือซึ่งก็หมายถึงว่าไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยนั่นเองจึงได้แก่พระอระหันต์พึงสังเกตว่าในที่นี้แปลคำอุปาทิว่าอุปาทานคือความยึดมั่นที่เป็นตัวกิเลสเองให้ต่างจากอุปาทิในสอุปาทิเสสนิ พ, พาน และอนุปาทิเสสนิพานซึ่งแปล ว, ว่าสิ่งที่ถูกยึดมั่นอันหมายถึงเบญจขันธ์ความจึงไม่ขัดแย้งกันในพระสูตรที่แสดงข้อปฏิบัติสำคัญสาคัญเช่นสติปัฏฐานสี่อิทิบาสีอินรีห้าเป็นต้นในตอนท้ายมักมีพุทธพจน์ที่ตรัสทำนองสรุปแบบส่งเสริมกำลังใจของผู้ปฏิบัติว่า เมื่อได้บำเพ็ญข้อปฏิบัตินั้นๆแล้วพึงหวังผลอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาผลสองอย่างนี้ได้คือทิฏฐเวทมเมอัญญาสติว่าอุปาทิเสเสอนาคามิตาแปลว่าอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปาทิเหลืออยู่ก็เป็นอนาคามีซึ่งเห็นได้ชัดว่า คำว่าอุปาทิในกรณีเช่นนี้หมายถึงอุปาทานหรือพูดอย่างกว้างๆว่ า, วากิเลสนั่นเองทกิขนญาบบุคคลหรืออริยบุคคล8ก็คือทกิขนญาบบุคคลหรืออริยบุคคลในสี่ระดับข้างต้นนั่นเองที่แบ่งซอยออกไประดับละคู่ดังนี้ 1>, 1. โสดาบันท่านผู้ทำให้แจ้งคือบรรลุโสดาปฏิพลธ์แล้ว 2. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพัน์สสกาดทาคามีผู้ทำให้แจ้งสกาดทาคามิผลแล้ว 4. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกาดทาคามิผล หาอนาคามีท่านผู้ทำให้แจ้งอนาคามิผลแล้ว 6. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามิผล 7. อาอรหันต์ท่านผู้ทำให้แจ้งอรหัตตผลแล้ว 8. ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตตผล ในอพิธรรมจัดเป็นสองประเภทคือมักคะสมังคีท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยมัคสีและพละสมังคีหรือผลสมังคีท่านผู้พร้อมเพรียงด้วยผลสีถ้าีนยับุคคล8จัดเป็นสีคู่ชุดนี้นี่แหละที่ท่านหมายถึงว่าเป็นสาวกาสงฆ์หรือสาวกสงฆ์หรือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ที่เป็นอย่างหนึ่งในพระรัตนตรยัยหรือเป็นชุมชนในอุดมคติของพระพุทธศาสนาดังคำในบทสวดสังฆ ค, คุณว่ายติทางจตาริปุริสยุคานิอัตถะปุริสบุคลาเอสาภควะโตสาวกสังโคแปลว่าได้แก่คู่บุรุษสี่คู่บุคคล8พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนี้ และสาวกสงฆ์นี่แหลที่ต่อมานิยมเรียกกันว่าอริยสงฆ์ในชั้นพระตายปิฎกพบใช้คำว่าอริยสงฆ์แห่งเดียวในข้อความที่เป็นคาถาในอังคุตระนิกายฉักรกนิบาศคือใช้อริยสงฆ์เป็นวัยพ์ของสาวกสงฆ์ในคำพีรุณอัทธกะถ า, าจึงใช้คำว่าอริยสงฆ์กันดื่นขึ้นดังจะเห็นได้ชัดในคำภีวิสุทธิ์มก เมื่อนิยมเรียกสาวกสง์เป็นอริยสงแล้วก็เรียกภิกษุสง์เป็นสมมุติสงคือสง์โดยสมมุติคือโดยการตกลงหรือยอมรับร่วมกันได้แก่ชุมนุมพระภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่เจาะจงรูปใดๆเป็นอันเข้าคู่กันสาวกสงคู่กับภิกษุสง์อริยสงคู่กับสมมติสง